ลาวตะโกนมาจากในบ้านว่าให้นบถอดส้พระออกเดี๋ยวนี้แม่พริ้งกับนบตกใจมากแต่นบก็ไม่ยอมถอดส้ออกหนูนี้จึงวิ่งออกมายืนที่ประตูบ้านจ้องมองมาที่นบแล้วพูดจาแปลกๆว่าสวมพระแล้วเราก็เข้าใกล้กันไม่ได้ถ้าไม่ทาตามที่บอกหนูนี้คงอยู่ได้อีกไม่นานแม่พริง้ง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 ก็ได้ยินเสียงเหมือนของแข็งกระทบที่ประตูห้องของนบซ้ำๆอยู่หลายครั้งแล้วหนูนีก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ตอนนั้นนบรู้สึกกลัวมากจนไม่กล้าลงจากเตียงได้แต่แตะโกนร้องให้พ่อแม่ช่วยนบร้องเสียงดังจนพ่อกับแม่ตื่นออกมาดูแล้วก็พบว่าหนูนีกำลังใช้มีดเล่มใหญ่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 t you.